วันเีกเป็นวันผ่าที่พวกเรามาทําบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวานาที่พวกเราประกอบรืฤกษ์ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเรามาสร้างที่ย์พึงภายในคือสร้างที่พึ่งทางใจร่างกายสังขารของเราทุกคนนะเรามีบ้านเป็นที่อยู่ที่อาศัาย สร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยตลอดถึงสร้างบ้านให้แข็งแรงใหญ่โต แ, แต่ใครจะมีทรัพย์ใครจะมีทรัพย์พอที่จะสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ดีงั้นเดียกว่าเป็นที่อยู่อาศัยของรูปร่างกายรูปร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนสภาพไปสิ่งภายนอกที่เราสร้างเราทํามันก็เปลี่ยนสภาพไปเหมือนกัน หมู่บ้านที่อยู่อาศัยมันก็เปลี่ยนสำรุดชุดสมไปตามลำดับของมันคราวนี้บ้านภายในคือร่างกายมันเป็นบ้านของใจเป็นที่อยู่อาศัยของใจใจนี้จำเป็นจะต้องได้รับสัมผัสทางร่างกายความสบายไม่สบายที่เกิดทางกายมีเยอะแยะเกิดจากอริยบทคือเราเปลี่ยนอริยบทไม่สม่ามเสมอกัน ยืนมากไปนั่งมากไปนอนมากไปทำงานการนั้นๆมากไปก็เป็นเหตุให้เจ็บปวดหลายหลางกายขัดยอกเจ็บเส้นเอ็นเส้นตึงนั้นเป็นทุกข์หนึ่งนิดที่เรารเจอแล้วเผินกันและมีน้าซ้ำไอ้โรคหลังกายของเรานี่ยยังมันยังมีโรค เป็นที่อยู่ของโลกเป็นที่อาศัยของโลกเป็นที่เกิดของโรคซึ่งเป็นสิ่งเบียดเบียนร่างกายของเราให้ลําบาก <c oughs> <c oughs> นั่นคือร่างกายพระพิจาสอนพวกเราให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นธรรมดาแล้วเราก็แก้ไขเหตุการณ์นั้นของโลากร่างกายไปตามเหตุแต่นั้นเราจะบังคับบัญชาให้มันเป็นอย่างนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้มันเป็นของมันเอง แ ต, แต่เราเกิดมันมันก็เปลี่ยนสภาพมาโดยลำดับนั่นเรียกว่าสภาวะหรยอว่าสภาวะทุกข์มันเป็นเองแก่เท่าชร า, าสุดท้ายก็แตกก็ดับของมันเองเหมือนกับบ้านที่เราสร้างมานานแล้วมันก็ฉรวนุดสมก็พังไปบางทีสร้างมาดีมันพังทับหัวเอาอย่างที่มีข่าวละครราชสาีมามีนตกถล่มคนตายเยอะแยะไป นั่นคือที่บ้านที่ดูอาศัยของกายของกายส่วนทางใจก็เป็นที่อยู่ที่นี้พุทธเจ้าสอนพวกเราอีกครั้งว่าจะไปยินดีพอใจเฉพาะที่พึ่งอาศัยข้างนอกอย่างเดียวข้างนอกก็จะไม่ต้องสร้างให้เป็นที่อยู่อาศัยในรูปหลางกายของเรานี้เราได้มาโดยธรรมชาติก็เป็นที่อยู่อาศัยแล้วเีราก็ต้องกําหนดอายุของมันเอง อายุของมันมันมีอายุแล้วก็ใช้สิ่งที่ปีอายุนี้ตามความสามารถของเราที่จะใช้ได้ถ้าผู้ใดได้รูปร่างกายมาแล้วแลาวประมาทไม่สร้างคุณธรรมให้แก่จิตใจผู้นั้นชื่อว่ามาเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์จึงมีทุกอย่างลาบากประกอบที่ร่างกายอยู่แล้วเกิดมาเสียทีไม่สร้างคุณธรรมให้แก่ใจ คุณธรรมของใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากเรียกว่าเป็นเครื่องอยู่ทีนี้เรียกว่าเอาธรรมมาเป็นเครื่องอยู่ให้ใจนั้นมีสติสัมปะเญญะเป็นเครื่องอยู่ถ้าใจไม่มีสติสัมปะเจญะเป็นเครื่องอยู่นั่นเรียกว่าผู้ประมาทเรียกว่าไม่ถึงนึกถึงตัวเองงั้นหลักการปฏิบัติของเรานะ่ยแต่ละวันละวันให้นึกถึงตัวเองคือนึกถึงใจเข้ามาสู่ใจของเรานั่นบ่อยๆปกตกิก็ก่อนนอนตื่นนอนได้สอนให้ภาวนา ให้นึกพุธโธทำโมูสังโฆหรือตามหลักที่เราเคยปฏิบัติกันโดยเฉพาะต้องระหาที่ตั้งของใจให้ได้ที่ตั้งของใจนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเราไปที่ไหนมาที่ไหนถ้าวันมีเหตุเราก็ประคองใจเข้าสู่ฐานที่ตั้งของใจได้เมื่อประคองใจเข้าสู่ฐานที่ตั้งของใจไดนสติมันก็เกิดเรียกว่าความรู้ตัวคือรู้ใจขึ้นมานั่นเองหรือพูดอีก โดยไม่แปลอะไรแต่งว่าเรียกว่ารู้พุโทโธรู้ตัวพุโทโธพุธโทโธก็คือใจเรานะ่ะแต่ธาตุรู้ที่มันมีในนี้มีพระติจ่าสอนว่าให้มีสติเป็นเครื่องอยู่ถ้าจะมีสติเป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่ฝึกไม่หัดอะ่ะมันไม่ค้นไม่เคยกับที่อยู่อันนั้นมันก็เลยวิ่งไปหาที่อยู่ข้างนอกซึ่งมันเคยอยู่ข้างนอกอยู่แล้วอยู่กับรูป ก, กับเสียงกลิ่นรสผลพทะพะอแดงต่างข้างนอกนะ่ะเพลิดเพลินบางครัง้งบางคราวยังเอา รูปมาเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องดูเช่นว่าดูหนังดูโทรทัศน์อันนั้นก็เรียกว่าเครื่องอยู่ของจ่ายข้างนอกอีกอันหนึ่งก็คือเสียงฟังเพลงฟังอต่างนี่โอ้เอามากเหลือเกินเรื่องเพลงบางทีนั่นเอาอวิทยุหรืออะไรเขาเรียกว่าซาซาเบ้าซาบาันที่เอามาปิดหูไวน้น่่ะเด็กๆมันชอบวัยรุ่นมันชอบเหลือเกินเอามาปิดหูไว้น่ะนั่นเครื่องอยู่ของเขา ไปอยู่แต่ข้างนอกติดข้างนอกสิ่งนั้นนะมันไม่เที่ยงดีเนะี่ยของข้างนอกมันไม่เที่ยงมันก็พอให้เราเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะสิ่งที่เปลี่ยนและไม่เปลี่ยนนั้นของมันเองปกติมก็ต้องเปลี่ยนอย่างนั้นนั้นหลักการที่สร้างทีซึ่งเฉพาะของเราก็คือเราจะไม่ต้องรักษาใจคุมของใจฝึกหัดใจของเราให้มีสติสมาธิปัญญาให้ได้และการฝึกนั้นมันไม่ใช่ของยากหรอกหลักเบื้องต้นเพียงวย่า ให้รู้จักที่ตั้งของใจประคองใจเข้ามาข้างในมันก็มีที่ตั้งอยู่ข้างในมันรู้อยู่ข้างในน่ะดีร็วกว่ารู้อยู่ที่ใจกันเลวถ้ายังไม่จับไม่ได้ก็ให้ให้กั้นลมนะที่แต่มาเคยแน่อยู่บ่อยๆให้กั้นลมแล้วก็ประคองความรู้สึกเข้ามาความรู้สึกของเราก็มันก็จะไปจับที่ตั้งของมันเองแต่ถ้าว่ากั้นลมแล้วไม่ประคองเข้ามาก็ไม่ได้มันไม่มีที่จับงั้นเมื่อเราจับที่นั่นได้แล้วเนี่ย ก็จำไว้ที่เนี่ยต่อจากนั้นเราก็ใช้ใช้ลมหรือใช้พุทโธเนะเป็นการสร้างให้ใจจับฐานคือจับที่ตั้งนั้นมันมันจับได้ดีแล้วมันก็เข้ามาได้เองในขณะที่ยังเข้ามาไม่ได้เองเราก็เพียรพยายามที่จะบัะคองเข้าหาบ่อยๆเวลาทั่วไปทําได้ทั้งหมดอะสมมติว่าใจของเรารู้สึกว่าไม่สบายตามอารมณ์ข้างนอก ได้เห็นได้ยินอะไรต่างๆรู้สึกก็ไม่สบายใจก็รีบเข้าไปที่ที่บ้านคือที่ตั้งของใจประคองใจพับเข้าไปสู่ที่นั่นกําหนดดูใจของเราอยู่ตรงจุดนั้นและอารมณ์ที่อารมณ์บูดอารมณ์ที่มันเป็นที่ไม่สบายมันก็จะตกไปถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นมันก็จะทําให้ใจวุ่นวายเมื่อใจวุ่นวายมันก็ทําก็พูดไปตามอำนาจของอารมณ์ มันมองเห็นเงาต่างๆที่ไม่ดีไม่งามก็ติดสิ่งนั้นก็คิดก็ปรุงก็แต่งถ้าเพียงแต่คิดในใจอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นไรเนี่ยไปทำด้วยไปพูดมันก็เลยไปพูดด้วยมันก็เลยเป็นกรรมทีนี้ถ้าทำออกไปแล้วมันเป็นกรรมติดตามแก้ไม่ได้สิ่งใดที่ทำไปแล้วทำคืนไม่ได้ทางนั้นแต่เพียงคิดในใจอย่างเดียวปรุงในใจอย่างเดียวนะไม่ทาไม่พูดมันก็เป็นอาโหสิกรรมได้ หมายก็ว่ามันล้างกันแต่ละเปลี่ยนสภาพไปได้นะเพราะว่าสิ่งนั้นนะมันเป็นล้างกันได้ภายในดันั้นพวกเราเนีน่ทุกคนถนะือพุทธศาสนาเราเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะไปถือวัตถุภายนอกอันวัตถุภายนอกที่เราทำไวนะ้สำหรับให้มันเข้าไปเขงไหนเคลนว่าเราต้องสร้างพุทธรูป สร้างพระสดทจพระเจดีสําหรับให้กาปล่อยสาการะและต่างนั้นมันเป็นของข้างนอกท่านสอนให้เรากราบให้เราไหวแล้วเพื่อให้พระพุทธพระธรรมพระสง์เกิดขึ้นที่ใจพระพุทธหมายถึงผู้รูก้ก็หมายถึงเรารู้ใจของเรานะี่ยนะรู้ใจของเราใจของเรามีสติสัมปะยะเกิดขึ้นในนันะ่นน่ะคือพระพุทธแล้วพระธรรมโดยสติสัมปะ ย, ายานะนะั่นแหละคือพระธรรม และอาการที่เราปฏิบัติอย่างนั้นทําอย่างนั้นนั่นละเยี่ยงอย่างของภริยสง์ของท่านผู้ดีในคนของพระสงฆ์ที่เราสวดว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปะขวัโตสาวกสังโขกันว่านั่นล่ะคือคุณความดีของพระสงฆ์ถ้าผู้ใดมีคุณเช่นนั้นผู้นั้นได้ชื่อว่าพระสงฆ์คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติได้มรรคไผลปฏิบัติชอบยิ่งแล้ว พอดีจึงรับรองสายเอสากวกกาโตสาวากกาสังคมนั่นแหละพระสงฆ์สาววามเด็กคืออายบุคคลสิบสี่คู่แปดบุคคลคือพระโสดาบันญั ก, กิคาคาณ า, าค า, ารหันนั่นเป็นสี่คู่ท่าคู่กะโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทฏาคามิมักสกทามคายิผลอารหันตมักอารหผล ก็เป็นแปดคนะนั้นใจของท่านเป็นอริยะไม่ใช่ตัวร่างกายเป็นอริยะแต่เมื่อท่านฝึกได้ดีๆีกายมันก็กลายเป็นของพิเศษอีกด้วยเห็นเราเห็นอัธิกระดูกที่เรียกว่าพะทธาเรากราบเราไหว้กันก็คือร่างกายนั่นแหละแต่ว่าใจของท่านฝึกดีแล้วสะหัดบริสุทธิธ์กายก็คอยคอยเป็นของบริสุทธิ์ <c oughs> เป็นแก้วไปอย่างของหลวงพู่เราปรุถุสิมก็เป็นบางส่วนแล้วนั่นเพราะท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือฝึกขัดขัดเก่าใจนะให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงเกิดขึ้นเต็มในใจทีนี้อันนั้นหมายถึงว่ามันเป็นมันมีแล้วแต่ทีเราจะให้มีให้เป็นเราจะไม่ต้องเข้าไปบ่อยๆก่อนนอนตื่นนอนก็เข้าไปที่เวลาอื่นๆก็ประคองใจเข้าสู่ฐานที่ตั้งบ่อยๆและรักษา ท่านเนีย่ยอยู่ด้วยสติคําว่าอยู่ด้วยสตินั้นต้องเข้าใจคำว่าให้เราไปอยู่กับความรู้สึกที่รู้อยู่ภายในประคองเข้าไปหาความรู้สึกที่รู้อยู่เราจะประคองเข้าสู่ฐานกําเมนต้องมีฐานมีที่ตั้งประคองเข้ามาพอประคองคอได้จุดแล้วนะแล้วก็ฝึกให้มันชํานาญชำนานเนี่ยนึกพุโทโธพุทโธคือบวชหรือว่ากําหนดลมหายใจพุโทโธพุโทโธพุททให้มันกระทบฐานที่ตั้ง มันก็จะจับได้เองเราทำเข้าบ่อยๆมันก็จับได้เองทำได้ทุกคนเลยแหละคือมีฐานที่ตั้งมีที่อยู่เป็นที่อยู่ของใจเมื่อเราจเจริญในที่นั้นตั้งในที่นั้นก็จะมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับเราเอาสองของภายนอกมาเปรียบเทียบกันอย่างว่าเราทำการงานเย็บปักถักร้อยอะไรต่างเมื่อเราทำบ่อยๆเข้ามากระชํชนานี้ชํานานทาได้เลยท้งแรกก็ทาไม่ถูกทาไม่ได้ แต่ว่าทำนานเข้านานเข้มันก็เป็นเมื่อมันเป็นแล้วก็ยังสอนคนอื่นได้ด้วยในภายในนี่ก็เหมือนกันแต่ละคนละคนมันมีมีใจกันทั้งนั้นไม่ใช่ไม่มีใจเมื่อมีใจเราก็รักษาใจคมของใจตั้งใจรักษาใจให้ขุดเข้าสู่ฐานแล้วสติสมาธิปัญญาจึงจะเกิดขึ้นในนั้นเกิดขึ้นที่นั่นไม่ได้ไปหาที่อื่นเกิดขึ้นที่ไหนขอแต่เราตั้งฐานรักษาฐานของเราให้ดีเท่านั้น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 อตอนนี้ไปทุกคนเพืกันตั้งใจฟังธรรมฟังธรรมก็ฟังจนในใจทำความสงบจิตใจพร้อมกันไปหลักการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุติเจ้าเอารวมไปไว้ในสติปัฏฐานสี่เป็นต้นเป็นเบื้องต้นในการปฏิบัติรักษาจิตใจ เพื่อสร้างใจของเราให้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นภายในคําว่าสติปัฏฐานก็หมายฐานฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งของใจไม่กี่ที่ตั้งที่อื่นข้างนอกที่เราเอาวัตถุอันใดหนึ่งหรือเอาวัตถุอันใดไปตั้งหรือไปวางไว้ที่ใดใดหนึ่งแล้วว่าที่ตั้งนั้นที่ตั้งของภายนอก แต่ที่ตั้งภายในของเราในหมายถึงที่ตั้งใจคาว่าใจก็หมายถึงความรู้สึกของเราที่มันไม่รู้อยู่ภายในในเองต้องมีที่ตั้งต้องมีฐานมีที่ตั้งที่วางไว้เอาใจของเราไปวางไว้ใจของเราไปจดจ่อไว้ตรงที่นั้นจยากว่าฐานถ้าว่าเราไม่มีฐานที่ตั้งที่วางของใจใจมันก็ลอย แม้ใใจะใช้กรรมาฐานเป็นฐานที่ตั้งเช่นว่าท่านหาใช้ว่าพุโทโธพุโทโธถ้าไม่มีที่แนบที่ตั้งที่จดจ่อไว้ใจมันก็ <c oughs> ลอยลอยไปตามอารมณ์แม้แต่นึกพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวหายแวบไปที่ไหนก็ไม่รู้นะนั่นแสดงว่าไม่มีฐานที่ตั้งนี่ถ้าว่าเอากรรมาฐานอย่างอื่นก็เหมือนกันแม้แต่ลมหายใจออก็ที่เราใช้กัน ครั้งแรกก็เหมือนก็มีลมแต่ว่านานเข้านานเข้าไม่มีที่ตั้งมันก็หวอยไปเหมือนกันลืมลมไปลืมลมไปก็ง่วงนอนไปส่งเดชนะอย่างนั้นจึงใช้ไหมและต้องมีฐานมีที่ตั้งที่ตั้งข้างในเคยเรียนที่ตั้งเป็นที่ตั้งเรียกว่าตั้งที่ตั้งของสติสติแปลก็หับแกว่าความระลึกได้นึกได้ไม่หลงลืม ตัวสติเป็นตัวรักษาตัวคุมของใจคือรักษาใจเอาไปแนบไปสนิทไปจดจอ่อไปวางไว้ตรงนั้นตรงที่ฐานนะคราวนี้เราก็หาฐานดังที่เคยแนะให้หาฐานโดยวิธีกั้นลมหายใจบ้างโดยวิธีกาหนดลมหายใจพุโทโธพุโทโธแล้วก็ดูที่กระทบสุดท้าย แต่ถ้ที่จะให้แน่ที่สุดก็คือต้องเปลี่ยนพยายามกั้นลมกั้นลมแล้วก็ประคองความรู้สึกของเราเข้าไปสู่ข้างในไปสู่ใจไปสู่ฐานข้างในมันมีเหมือนกับมีฐานที่ตั้งอยู่ข้างในนี่นะเราถือเอาหลักงานเป็นที่ตั้งนี่แล้วเราก็กัน้นเราก็กาหนดลมหายใจพธทโถพโพ โ, โ, โ, โให้มันกระทบตรงที่ที่เราหมายไว้นั่น เมื่กําหนดพุดโทโธพุโทโธนานเข้านานเข้าแล้วเราก็วางพุโทโธไม่ต้องว่าพุโทโธเราก็รักษ า, าเฉพาะความรู้สึกไว้ในที่ตั้งนั้นพร้อมทั้งรู้ลมด้วยลมมันจะเข้ามันจะออกมันจะเข้ามันจะออกเร า, เาก็รู้อยู่ที่ฐานที่ตั้งนั่นแหละรักษาใจไว้ในจุดนั้นในหลักของสติปัฏฐานนั้นมีทำสามอย่างที่ท่านสอนให้เราก็ทํา ในภาษาบาลีว่าอาตาปีสัมปัชฌาโนแล้วก็สติมาอาตาปีก็หมายถึงความเพียรอาการที่เราใช้ใจของเรากนะําหนดลมหายใจโพธโธโพธโธโพธโธอย่างนั้นมาแห่มหันไปเท่งให้ทํางานอยู่นานั้นเรียกว่าความเพียรคืออาตาปีเพียรพยายามที่จะกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออก ครั้งแรกก็พูดโทรพูดโทต่อจากนั้นก็วางพูดโทเอาใจไปจดจอด่อแล้วก็เพียรดูลมดูลมดูใจพร้อมกันไปอยู่ที่ตั้งอันเดียวนั่นละอย่าไปที่อื่นเพียรพยายามรักษาไว้อย่างนั้นรักษาไวเพื่อเพื่อให้เกิดอชัมปะชาโนคือรู้ตัวขึ้นมาคือรู้ใจรู้ลมขึ้นพร้อมตรงนั้นตรงจุดที่หมายนั้นอย่าให้ใจเข า, เาแวบไปที่อื่น อย่างนั้นเรียกว่าสัมปะชานุคือรู้ตัวเรียกว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวก็คือรู้ใจนั่นเองอแต่เราไม่ได้รู้ใจอย่างเดียวเอาใจรู้เอาใจรู้ซะก่อนมันจึงจะรู้ใจเอาใจรู้ลมที่มันเข้าออกแต่เราไม่ได้สุกรมเข้าออกเวลวก็รู้ใจพร้อมกันไปนั่นแหะเพราะว่ามันมีงานอย่างไม่ได้รู้ใจเฉพาะ พอมันมีงานหลายอย่างก็จะไม่ต้องทําอย่างนี้เป็นการสร้างสัมปัจจัยให้เกิดขึ้นในฐานั้นที่นั้นนี่สติมาตัวควบคุมทีนี้ตัวควบคุมตัวรักษาไม่แหย่พังไม่เผลอระวังตัวระวังนั่นแหละเรียวกว่าตัวสติคือระวังไม่ให้มันแว บ, บไปที่อื่นให้มันอยู่ในจุดที่ตั้งที่หมายนั้นนั้นนะมันก็รวมอยู่ในจุดเดียวนั่นเอง ตอนนั้นท่านกะไปให้เพียรพยายามรักษาทเรียกว่าความเพียรสัมปทานสัมปทานสีเพียรละวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเพียรรักษาเพียรยังกุศลให้เกิดขึ้นเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อมเพียรอยู่ในหลักเดียวนั่น เพนป้องกันอารมณ์คําว่าบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันคําว่าบาปก็หมายถึงอาการที่ใจของเราคิดไปในทางที่ไม่ถูกทางคิดไปในทางการมัมตตกพยาบาทวิตตกหิงสาวิตกคิดไปในเรื่องความรักความไข้คิดไปในทางความพยาบาทมาก้ายคิดไปในทางที่จะเบียดเบียนหรือทําคนอื่นให้ลําบากนั้นเรียกว่าอกุศลวิตตกถ้ามาเกิดขึ้นในใจ หรือคิดไปเรื่องอื่นนอกจากนี้ปรุงสารลำคานไปหน่ายตามาวิ่งไปหาคนนั้นคิดไปถึงคนนั้นคิดไปถึงคนคนนี้คิดไปถึงหน้าที่การงานอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นอารมณ์เป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองนี่ไงป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นป้องกันบาปคือป้องกันอารมณ์เทมันไม่ดีนะให้มันเกิดไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจเราเชิงเรว่าความเพียรป้องกันบาป พี้ถ้าเราตั้งใจไว้ในลมหายใจคอกแล้วไปจดจอยในที่ตั้งดูใจรู้ใจเขาเราอยู่ในฐานที่ตั้งมันก็ป้องกันอารมณ์อารมณ์ที่มันไม่ดีไม่ให้มันเข้าไปได้แต่ถ้าเบลเผยมันก็แวบวิ่งไปหาอารมณ์ที่ไม่ได้ความอีกเหมือนกันแต่ต้องทํามากเข้ามากเข้ามันก็ชํานาญในจุดนั้นที่ตั้งนั้นนี่ว่าเพียรป้องกันบาปไม่ให้เกิดคืออารมณ์ที่ไม่ดีไม่ให้มันเกิดขึ้น อันที่สองเพียรละบาปที่เกิดขึ้นหมายถึงอาการที่ใจของเรามันเป็นไปได้วยอำนาจแห่งความโกรธความโลภความหลงที่มันมีถ้าเราใจนิ่งอยู่แล้วมันก็จะค่อยรู้ตัวขึ้นมาเดิมลำดับแต่จะมันก็จะค่อยคายออกเดิมลำดับที่หมดเพียนละเราไม่ไปละมันหรอกถ้าเราตั้งใจนี้ ม, มั่นคงแล้วนะมันก็ไม่ <c oughs> ปไปไหเต ร, รมันก็ว่าขี้โกนขี้เลนขี เปิร์กอ้อยต่างๆอยู่ข้างนอกนะึงถ้าเราไม่ไปใกล้ไม่ไปจับไม่ไปถูกต้องไปใกล้มันก็ไม่ไป็ถูกเราโคนเลนนะมันก็อยู่ต่างหากของมันเราไม่ไปหามันอันนี้ก็เรามาตั้งใจอยู่ข้างในก็เรียกว่าเรารักษาใจไว้จะพอไม่ให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อสตีนั้นมันเกิดขึ้นมีขึ้นพอแล้วมันก็มันก็ห้ามก็มันเองที่เพียรอย่างกลัวสอให้เกิดก็คือเพียรพยายามรักษาใจ เพียนพยายามดูลมเพียนพยายามดูใจรู้ใจอยู่ในฐานอยู่ในหลุมเดียวนะั่นแหละอยู่ในฐานที่ตั้งอันเดียวนะ่ะรักษามันไว่อย่างนั้นเพยยียนสร้างสติให้มันคงแล้วเพียนรักษาอันนั้นไว้ให้ดีจึงเดียวันุขคโน ป, ปัฏฐานความเพียนสีเนี่ยเมื่อผู้ใดกําหนดกรรมาฐานสติปัฏฐานเอาอนาปาเป็นหลักคือลมหายใจเข้าออกนะั้นเป็นหลักนั้น ย่อมประกอบด้วยสติติปฐานสีสถิปถิปสานสีนั้นหมายถึงกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาปิตานุปัสนาและก็ธรรมานุปัสนากายานุปัสนาในขณะที่เราเรากําหนดรู้ใจกําหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกลมนั้นมันเป็นเครื่องประสานกายทํากายให้เป็นไปจึงเรียกว่ากายานุปัสนาใจของเรารู้ลมหายใจเขา้า ตลอดถึงไปรู้ตีที่ตั้งที่ตั้งก็คือที่กายอีกละพอเราประคองข้ามามันก็จะมีจุดจดจ่อที่รูปร่างกายนี้ก็เรียกว่ากายอีกเหมือนกันอย่าว่ามีกายเป็นอารมณ์คือมีลมนั้นเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องรักษาใจอย่าว่ากายยาโนปสนาตามเห็นลมเวทนานโนปสนาหมายถึงอาการที่ใจของเรารู้สึ ก, กว่าสบายไม่สบายมันเกิดขึ้นในจุดนั่น เราประคองใจให้รู้อยู่ในจุดมันก็จะต้องเกิดขึ้นความสบายแนละไม่สบายแต่ท่านให้รู้คือเราถือกายญาณสัปปสนานเะป็นหลักเมื่อกาหนดลมหายใจเข้าออดูลมหายใจคล อ, อกโยนจุดที่ตั้งที่หมายนะ่ะความสบายและไม่สบายมันก็ต้องเกิดขึ้นถ้าตั้งใจดีรักษาใจดีมันก็มีความชุ่มชื่นขึ้นมาตรงที่จุดตั้ง น, ะนั่นเร็วกว่าสุขเวทนา แล้วก็หลับรู้หลับสาบว่านั้นมันเป็นสุขเวทนาะเราไม่ได้เอาใจใส่นะสุขเวทานานั้นเพียงแต่ว่ารู้กำหนดรู้อันนั้นที่มันเกิดมีขึ้นแล้วเราก็จะไม่ต้องตั้งใจรักษาใจต่อไปรักษาใจดูลมนั้นต่อไปอย่าให้ใจอย่าให้ลมตกคือรักษาใจนั้นกิจตานุบสนาก็ใจของเรามันรู้ลมหายใจเขาออกอยู่นั่น มันรู้สึกว่ารับความรู้สึกสบายไม่สบายก็รู้อยู่ตรงนั้นเรียกว่าจิตตาโนปัสสนคือใจหรือจิตของเรารู้ทำมานุปัสนาหมายถึงอาการที่ใจของเราหนะมีสติสัมปชัญญะหรือมีความยินดีพอใจในสิ่งนั้น mm. ก็ให้รับรู้รั บ, รบทราบสิ่งนั้นแล้วก็เริ่มต้นรักษากายานุสปนุปัสสนานั้นต่อไปคือการที่รักษาลมหายใจขอ ง, งบางคนหนนะ คือกำหนดไปกำหนดไปลมดับปุ๊บมันเข้ามันลงไปคือไปสู่ฐานข้างในแล้วไปนิ่งเฉยอันนั้นก็เรียกว่าเข้าสามาธิแต่ว่ามันไม่มีปัญญาเมื่อมันไม่มีปัญญาอย่างนั้นมันก็เลยไม่เป็นประโยชน์แก่ใจแต่เป็นประโยชน์คือใจเข้าไปอยู่อย่างนั้นมันก็จะหลบทุกอย่างวางของภายนอกทั้งหมดกนะ็ไปรู้อยู่ได้มันก็รู้ยได้แค่นั้นปัญญามันได้เกิดอย่างเช่นฉะนั้น จะไม่ต้องมาตั้งอยู่ในฐานเก่าฐานเดิมฐานที่เราได้ข้างหนักฐานบนไม่ใช่ฐานลุม่มฐานลุมน่มไหนไม่กันว่าเราก soldier, ําหนดลมไปกําหนดลมไปบางคนกําหนดวุบลงไปแล้วไปอยู่ลุ่มนุ่นอ่าไปอยู่ทุม่มก็เลยนอนอยู่ตรงนั้นทีนะี้มันก็ไม่ทํางานอลไรทั้งนั้นคนเหมือนกับคนนอนหลับเหรอเหมือนนอนหลับแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นอนะ่ะเขาจะนอนแค อ, อย่างเดียวบอกก็ไปกินข้าวเธอไปบอกเฮ้ยยังไม่กินอ่ะมันติดในความหลับ น, น ก็ไม่ทิ้งไม่กินไม่ทำงานไม่เอาอะไรทั้งนั้นนะขอให้ได้หลับอย่างเดียวนั้นนะอันนี้ก็จึงมันก็เป็นโทษหน่อยหนึ่งแต่ถ้ามั น, มนสามารถหลบได้อย่างนั้นก็หลบเลยไปมันก็จะไม่เป็นยาฉะนั้นเมื่อผู้ใดมีใจมันลงไปอย่างนั้นมันเคยลงไปอย่างนั้นเคยมีอย่างนั้นก็ให้ให้รู้จักว่าน้าทาต้องการให้มันลงก็ลงแต่เราไม่ให้มันลงง่ายคือ พยายามประคองไว้ฐานบนเพื่อให้มันมีสติปัญญาเกิดขึ้นในทีนี้แล้วแล้วปัญญามันใจะจะเกิดขึ้นไปตามหลักของมันในหลักการไอ้นี้ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะต้องใช้ความคิดเพียงแค่ว่าดูสิ่งที่มันมีเพราะมันจะเกิดขึ้นไปตามลําดับของมันเองในขณะที่เราดูลมหายใจเข้าออกอยู่เข้าออกเข้าออกหนึ่งความทางรักษาใจพิจิสุขมันก็จะเกิดขึ้นในนั้นความสุขความสบายในต่างๆจะเกิดขึ้นในนั้นเอง ไม่ได้ไปหาที่อื่นยี่ว่าความเพียรสีนั้นความเพียรสี่คือสังวรปรธานปหานประธานภ า, า, าวนาประธานแล้วก็อนุคามนาประธานสี่อย่างความเพียรสี่มันก็เกิดมีก็ทำอยู่ในนั้นนะมันเป็นการทำอยู่ในนั้นนะเมื่อความเพียรทั้งสี่ประการนั้นบริบูรณ์บริบูบรณ์แล้วสมาธิมันก็จะเกิดคือเกิดบางทีนะถ้า ความรู้สึกมันมั่นอยู่ในจุดนั้นไม่เป็นไรแต่เนี้ยถ้าแบบสมาธิมันวิบวิ่งลงไปสู่ฐานวิ่งไปอยู่รุ่มเสซนเลยไปอยู่เฉยนั่นอ่ะอันนั้นไม่ได้ต้องยกคืนมาเอามาไว้ฐานเก่าแล้วดูลมหายใจคอกนั่นต่อไปเพื่ออะไรเพื่อให้อิธิบาท <c oughs> ให้อิธิบาทสี่ได้เกิดขึ้นอิธิบาทสี่ก็คือฉันทะวิริยจิตตวิมังสามันจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปนับ ฉันท้าแปลว่าความพอใจความยินดีความยินดีค ว, นดความพอใจมันก็จะเกิดขึ้นในจุดที่เรารักษาลมไปนั่นเกิดความชื่นนกชื่นใจขึ้นมาเลยนะเมื่อความชื่นหนกชื่นใจเกิดขึ้นในจุดท่านกันแล้วไห้ความเพียรความพยายามมันก็ติดต่อไปเลยๆคือไม่หนีละวนี่ว่าความเพียรสีนั้นมันกจะบริบูรณ์ขึ้นทีนี้จิตะ คือใจจดจอ่อมันก็จะจดจอ่อที่ลมจดจับจดจอ่อที่ตั้งนั้นได้มั่นคงขึ้นทีนี้ปัจจุบันไม่มังศานั่นคือจุดปัญญาที่จะเกิดตอนนี้แต่เราก็ไม่ยังไม่หวั่นไหวแม้มันจะเกิดก็ให้มันเกิดก็จะเม็ต้องรักษาฐานนั้นไว้ต่อไปคือรักษาฐานที่ตั้งของใจที่เราได้นำพยายามประคองใจไว้ให้รู้ไหนที่อะไรจะเกิดขึ้นมันกร็รู้อยู่ในจุดนั้นแหละ เพียงรักษาฐานเรียกว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานนั้นเพื่อให้มันเป็นมหาสติปัฏฐานคือเป็นฐานใหญ่ของกิจเพื่อมันจะเป็นไปในทางให้ใจของเราเนี่ยเข้าสู่หลักธรรมพุทธศาสนาเป็นการละถอนปล่อยวางมันจะเกิดขึ้นภายในใจอันนี้คือหลักธรรมดาทั่วไปหรือหลักที่เราจ ะ, จ ะ, จะต้องจดจํากันไว้และทําให้ถูกต้องเพราะว่าเราได้ยินใน้ฟังกันมามาก ก็เลยเป็นเหตุให้ใจโลเลบอว่าอาต์ตำลานั้นท่านว่าอย่างนั้นคูบาอาจารย์องค์นั้นท่านว่าอย่างนั้นอย่างนั้นใจเขาเราก็เลยโลเลว่าจะเอาอยัางไงจะจับยังไงอะไรอย่งมันก็เลยโหลดี่างนั้นจะพั ก, กันโลเลให้ถือว่านี่เราจะปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานทําเพื่อเป็นไปเพื่อความตัดสิลู่นั้นพิจาราต ร, า ร, รัสบอกโพธิปักขียะทางัง โพธิ์ที่พะคียีธรรมสามสบเจ็ดประการซึ่งเป็นเป็นทำเป็นฝ่ายที่จะให้ตัดสู่แต่ในหมายความจะป ฏ, ป, ฏปฏิบัติแต่ละอย่างละอย่างเริ่มต้นตั้งแต่สถิติฐานเป็นต้นไ ป, ป น, นับว่าสติติฐาน 4, สี่ส ม, มปฏฐานสี่อิทธิบาทสี่อินสี่ห้าสารห้าโพชชงเกตมรคมีองแปดถึงเข้ามรคมีองแปดแล้วมาใดจึงจะเป็นทางให้เข้าถึง ไอ้บุคคลโซดาสกทาคารเนี่ยต่สิ่งเหล่านั้นมันจะดำเนินไปตามตามหลักของมันเองอ่าอย่างที่เราปฏิบัติเบื้องต้นนี้คือคือเราใช้สติปัฏฐานพร้อมทั้งสั ม, มปฐานสีมันก็รวมอยู่ที่เดียวกันเลยไม่ต้องไปน้าว่าออปฏิบัติหลักนี้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องว่าเราทำตามหลักให้ถูกต้องดังที่เราว่า ที่ได้แนะไปแล้วหมายคือว่าเมื่อเรากําหนดลมหายใจครั้งแรกเราก็สร้างลมซะก่อนแต่งลมให้มันดีๆซะก่อนหายใจใมันสบายแล้วเราไม่ได้สูบลมหายใจเข้าออกอย่างนั้นตลอดนะเฮแล้ว เ, เดินตามสภาพของมันนี่ว่าลมปกติของมันมันจะหายใจเข้าออกอย่างนั้นมันก็จะแรงเข้าเมื่อแรงเข้าอย่างนั้นเราก็เอาใจไปกําหนดลม เข้าไปว่าน so wow. ื้ว่าโพดไหวมาว่าโทดูเข้าไปว่าพุธโททำไว้อย่างนั้นนานๆแล้วก็วางพุธโททิ้งแล้วก็เอาความรู้สึกของเราไปจดจอในฐานทีเนี่ยอยู่ตรงนั้นล่ะที้งเนี่ยดูลมหายใจคลอกมันเข้ามันออกมันเข้ามันออกแม้มันจะดับไปก็อยู่ตรงนั้น่ะดูตรงนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราอยู่ในฐานนั้นดับไปบางคนอ่ะกําหนดลมหายใจก่อนมันดับดับวุบแต่ว่าใจมันลงไปอยู่ลุ่ม ลืมลมหมดเลยไม่มีลมมีแต่รู้เฉยอยู่ข้างในใจมันเป็นนอนนิ่งอยู่ข้างในแล้วนอนแล้วมันก็สบายทีเนี่ยนั่งได้นานอยู่ได้นานถ้าอย่างนั้นก็ถ้าดับแบบนั้นมันมันจะไม่เห็นกายมันก็จะไปรู้ใจเท่านั้นนะแล้วก็ยังไม่เห็นใจโดยเพ่งก็ไปรู้ใจแล้วใจไปรู้เวทนาไปนอนอยู่ที่เวทนาคือเฉยถ้าเรา สงดรู้อยู่ในฐานเดียวนั้นที่ตั้งอันเดียวนั้นนะดูลมหายใจลมละเอียดอ่อนไปปอดอ่อนๆไปปออ่อนไ ป, ป, นไปถ้าดับถ้าลมดับพับมันก็จะเห็นกายหมายถึงว่าลมหายใจค อ, อกนี่มันเป็ น, เ ป, นเป็นกายหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนหยาบทีป่ประสานกายแต่เมื่อลมดับละใจเขาเราตั้งอยู่ในฐานนั้นกายก็จะปรากฏให้จิตเห็นคือกายของเราทั้งหมดนี้จะปรากฏเรียกว่ากายเนื้อกายธาต ก็จะปรากฏขึ้นหมายถึงกายที่มันมีอยู่นี้แหละแต่ว่ามันเป็นภาพภายในคือเห็นกายทั้งหมดนี้ีน้เมื่อดูมากเข้ามาเข้ากายนั้นก็จะดับไปอีกกายรูปกายท่านก็จะดับไปอีกเมื่อขนาดที่กับกายนั้นปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเห็นเวทนาคือรู้จักเวทนาเวทนาที่มันมีกายเป็นต้นเหตุ สบายแล้วไม่สบายที่กายนะก็จึงรู้ทั้งกายทั้งเวทนาเมื่อดูเวทนากำหนดรู้เวทนาอยู่ในจุดเดียวนั้นไม่ไปที่ไหนอยู่ที่นั่นลและแล้วเวทนานั้นเขาจะดับไปเมื่อเวทนาดับก็จะเข้าถึงจิตชัดเจนเมื่อเข้าถึงจิตแล้วจิตก็จะดับไปเข้าถึงธรรมในธรรมะาอันนี้ว่าตามขั้นตอนที่มันจะเป็นไปนัน มันจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นก็เราก็จะเป็นต้องตั้งอยู่ในฐานสติติฐานันที่ว่านี้อืนดับแรกก็กำหนดลมหายใจก็ไปตั้งอยู่ข้างไหนยอยู่ในจุดในที่ตั้งนะดูลมดูลมเข้าแต่ไม่ได้สูบลมนะเราจ้องดูอยู่ที่จุดที่ในหลมุมในที่ตั้งของเรานั่นแหละแต่ไม่ให้มันลงไปลุ่มนะไม่ให้มให้มันลมดับแล้วก็วิ่งลงไปอยู่ลุ่มนะลงไปฐานอันนั้นแล้วนะก็มันเป็นที่นอน ไม่ทํางานนั่นนะเผื่อให้ใจของเรามันมีสติสมาธิปัญญาหรือให้มันมีสมถะาวิปัสนาไปตามขั้นตอนของมันนะที่บางคนที่ที่มันเป็นไปนอนอยู่อย่างนั้นนะมันไม่มีปัญญาก็เพราะว่ามันไปนอน mm hmm. ในหลักการนันนี้่ดี๋ยว่าแต่คนอื่นแม้ mm hmm. แม้แต่อัตมาก็เคยเป็นมาที่ว่าใจไปนอน พอใจสงบพอแล้วมันก็ไปนอนอยู่น ะ, นะมีแจ่ความรู้สึกเฉยๆทาานี้นะปัญญามันก็ไม่เกิดมันก็จะเกิดเฉพาะถ้าความคิดที่ได้กำลังใจได้ความสงบมาอย่างนั้นแล้วก็ไปเรียนหนังสือพอเรียนหนังสือแล้วก็ท่านบอก ว, วิธีการนะเมื่อทำใจให้สงบแล้วต้องยกใจขึ้นมาพิณาขันห้าคือกำหนดโูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นตามความเป็นจริง ก็ทำํำพอใจมันเป็นนอนพอเพราะแบบยกขึ้นมาตีนากายอย่างนั้นอย่างใจมันก็ถอนหมดอืปิติสุขมันก็ไม่มีก็เหมือนความคิดธรรมดามันเป็นความคิดธรรมดามันก็ไม่ได้ความอะไรทางนั้นผลสุดทายกับเอาลงไปที่เก่าไปนอ น, นอยี่ยืนที่เก่านั่นแหละเพรามันได้รับความสบายได้รับความหลบอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้หมดอืมีต่อมาที่ไป ที่ไปแก้ได้ก็ตอนที่ไปอยู่ทํามปายจะหลุจิตมันถอนออกมาถอนมาใหม่ถอนมาใหม่แล้วเอาลงได้ไปใหม่เอาลงไปคราวนี้มันไม่ลงอย่างเก่ามไม่ไปนอนพอลงไปเถืที่ฐานแล้วจิตมันก็เกิดปัญญาขึ้นมาต่างหากเข้ามเองจึงได้หลักการปฏิบัติตั้งแต่นั้นมาดังนั้นพวกเราปฏิบัติกันใหม่ต้องพากันรักษาฐานข้างในนี้ว่าให้ดีคืออย่าไปสงสัยอย่างอื่นนอกจากนี้ เรากำหนดจิตอยู่ในดวงเดียวในอยู่ที่เดียวนั่นแหละเดี๋ยวก็จะเกิดปัญญาเกิดแต่ย่าให้จิตไปนอนนะให้จิตลงไปนอนมันไม่มีปัญญาจริงๆด้วยที่เขาว่าเออสมาธิเมื่อได้รับความสงบแล้วไม่เบ้นไม่เนี่ถูกต้องตามนั้นแต่ถ้าเราตั้งว่าในสติปัฏฐานคือในฐานของเราที่ขั้นที่เราได้แล้วพร้อมทั้งรู้ลมพร้อมทั้งรู้จิตอยู่ในฐานนั้นมันก็จะเกิดปัญญาไปตามลําดับคืออันดับแรกก็เรียกว่าบริบูรณ์เต็มพร้อมด้วยสัมปท า, านเศ ต่อจากนั้นจรงจะเกิดอิทธิบาทออิทธิบาทเกิดแล้วอินทรียห้า ม, มันจะเกิดเกิดขึ้นตามตามตามกันมาเองมันเกิดขึ้นมาเองแต่ไม่ได้ไหมายเขาว่าเราจะไปนอนอยู่แล้วให้อะไรเกิดขึ้นมามันอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกับร่างกายสังขารเราเริ่มนอนหลับเสียนะนอนเใช่ไหมจะให้การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่นะให้มันสําเร็จมันไม่สําเร็จหรอกเพราเรานอนไม่ได้ทํางานแต่ว่าเราทํางานด้วย การทำงานประกอบกิจวนะัตรหน้าที่ทำไปตามลาดับมันก็สำเร็จเองอันนี้ใจของเราเนี่แหละเรามาตั้งพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นก็จะเป็นทางให้เราเข้าถึงได้คือให้ให้รักษาใจเวลาธรรมดาเวลาเรานั่งเราก็กำหนดดังที่ว่านะแต่ทีนี้เมื่อเวลาทั่วไปเราไม่ได้นั่งภาวนาอย่างนั้นก็พากันกาหนดฐานของใจนะั้นเรื่อยไป รู้ฐานข้อเราอย่างเลื่อยไปแล้วแล้วมันก็ทํางานได้ตามหน้าที่นะครัว่าจุดที่ตั้งของจิตของเราอยู่ตรงไหนเราก็เพียรพยายามจะรู้จุดที่ตั้งของจิตนั้นเรื่อยไปประกอบกิจวัตรหน้าที่การงานทําการทําการพูดการคิดรแรงต่างๆก็ก็ทําไปตามหน้าที่แต่พร้อมทางทางนั้นก็ต้องรู้รู้ฐานนี้เรื่อยไปก็จะไม่สติของเราก็จะติดต่อไปเรื่อยๆถ้าวะใบปล่อยเลย สันทีมันไม่ติดต่อเวลานั่งภาวนาก็เอาจิงเอาจังอะ่ะกำหนดลมหายใจพุโทพโภพทุลวกตตั้งอยู่ได้อย่างทีหวานะแต่เวลาออกแล้วก็เลยปล่อยทิ้งเลยไม่ได้รักษาใจไม่ได้ดูใจไม่ได้กำหนดอนันต์ใบเราต้องกำหนดถือว่านั่นมันเป็นที่อยู่ต้องถือว่านาเป็นที่อยู่อยู่ด้วยการทํางานทํางานด้วยการสัง่งไม่ใช่เราไปทางานเอง มันกับเราเป็นหัวหน้า ง, งานจะประกอบกันนะเราเป็นผู้สั่งบอกว่านายนี้ทำอันนี้นะนายนั้นทานั้นนนะประกอบอันนี้นี่เราสั่งให้เขาทำแล้วเพียงแต่ว่าเราดูเขาทำงานตามหน้าที่ตามที่เราสั่งถูกต้องไหมเราไม่ได้ทำงานเียเรียกว่าหัวหน้า ง, งานทำงานด้วยหัวคิดเนี่ยด้วยหัวคิดที่จะต้องสั่งงานหายใจของเรากเหมือนกันเมื่อเราเราก็นั่งอยู่บนต๊ะ บนโต๊ะทำงานนั่นแหละอยู่ที่ทำงานนะัดสั่งงานอันนี้ก็เหมือนกันเราภาวนาก็เรียกว่าเราทางานตั้งใจวันในฐานมีที่ตั้งที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่จะไปทื่นแต่ว่ารู้งานรู้งานเพราะว่าคนอื่นเขาทาแทนนะแทนได้หมดแล้วนี่เป็นหลักการที่ให้แต่ละคนละคนนำไปพิจารณาแล้วก็พากันปฏิบัติไปตามหลักนั้นเรียกว่า เวลาเข้าสมาธิก็เรียกว่ามีสติสมาธิหรือมีหลักการนั้นเป็นเครื่องอยู่ในเวลาทั่วไปเรียกว่ามีจิตมีใจเป็นเครื่องอยู่ใจเป็นเครื่องอยู่ต้องมีฐานว่าอีกอย่างหนึงว่ามีสติเป็นเครื่องอยู่เวลาโทษๆไปน่ให้มีสติเป็นเครื่องอยู่อันนี้เป็นเป็นสั์วาลีเราก็จําจําได้ท่านมาให้มีสติเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ว่าสติเป็นเครื่องอยู่ได้ทํำยังไง ก็เลยหม่เข้าใจอีกนะนะคราว่าให้มีสติเป็นเครื่องอยู่ก็มีมีรู้เป็นเครื่องอยู่แหละมีความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ให้มันไปรู้อยู่ตรงนั้นรู้ที่ไหนรู้ที่ฐานที่เราสร้างขึ้นนั่นนหะฐานนั้นอนะ่ะไม่ใช่ทั่วไปอยู่ที่ฐานนั้นก่อนรู้ที่ฐานนั้นก่อนจนกว่าสติปัฏฐานของเราที่เราฝึกเราปฏิบัตินะมันจะข้าวถึงเต็มความบริบูรณ์เต็มที่จิตมันก็จะจะสลัดออกเองไม่ใช่เราไปไปละเองทอนเองละเองทอนเอ ง, อเองไม่ได้ าใจมันยังไม่ไม่ปรับตัวของมันเองต้องปรับตัวของมันเองด้วยการปฏิบัติเข้าไปนันโอบายวิธีต่างๆที่นำมากล่าวให้ฟังโดยย่ยอๆนี่พากันนำไปไขความเมตตาแล้วก็นำไปใช้ปฏิบัติก็จะเป็นทางให้เราได้เข้าถึงสติสมาธิปัญญาตลอดถึงเข้าถึงมรรคผลนาที่กล่าวมาเคยนวสมควรโดยเวลาเอวังก็มีโดยประการและีสร้างศรัทธาของเราสร้างวิิยาของเรา อย่างว่าเราก็านดพิจารณาโลกโอ้โลกของเราทุกคนมีเกิดมาแล้วก็มีอะไรกับมีคนคนก็มีใครกับมีชายกับหญิงเท่านั้นล่ะเมื่อมันมีชายกับหญิงนั่นเป็นไรอโลกของเขามันเป็นเป็นคู่กันมีสามีภรรยามีลูกมีหลานปรุงพลังกันไปทําหน้าที่การงานหาอยู่หากินหาเลี้ยงกันบางครอบบางครัวหนึ่งหาเงินหาเลี้ยงกันไม่คุ้มไม่พอมีลูกมากเกินไป งเงินเดือนนิดๆหน่อยๆดึงหน้าดึงหลังไม่พอมีแต่ความทุกข์ยากลำบากเราพิจารณาไปตามกระแสโลกที่มันมันมีมันเป็นอย่างนั้นเพื่อให้ใจเขาเราเห็นความจริงตามหลักธรรมดาไม่ว่าเห็นจริงตามสิ่งที่มันมีจริงนั้นๆก็จะเป็นเหตุให้ใจของเรามันไม่ไปลักไปหลงไปเพลิดเพลินในสิ่งที่มันมีมันเป็นของชาวโลกอย่างนั้น มนุษย์ทางหลายที่เกิดมาเอาจะวิเศษขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนมีอำนาจวาสนาสูงส่งขนาดไหนก็ล้วนแต่อยู่ในกองทุกข์ทางนั้นอยู่ในความลําบากทั้งนั้นมีความสุขความทุกข์เจือปนกันไปอย่างนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันต้องเปลี่ยนผู้ชายก็ต้องเปลี่ยนเป็นเป็นสภาพไปผู้หญิงก็ต้องเปลี่ยนสภาพในขนาดที่หนุ่มแน่นก็เป็นสาวเป็นนางอเอามันบูรณาดูอย่างไรก็ หน้าดูทางนั้นน่ารักทางนั้ น, นต่อไปก็แก่เท่าฉลาดดูที่ไหนก็ไม่หน่าดูทางนั้นมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นนั่นคือของธรรมดาที่เรามองเห็นนให้เราพิจาอ่ะสิ่งเหล่านั้นใครเราจะไปเอาได้สิ่งนั้นภายนอกเราเนั้นถึงแม้มันมีมันเป็นแม้ตัวเราก็เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นอีนี้ผู้ฉลาดเกิดมาแล้วก็เอาประโยชน์เอาประโยชน์จากรูปลังกายของเราที่เรามาอยู่อาศัยเหมืนอนไง เอาประโยชน์เอาประโยชน์คือให้ใจคนเรานะ่ยเห็นจริงลงไปเห็นจริงทนายสิ่งที่มันไม่จริงอยู่นั่นแหละเห็นจริงที่มันมีจริงไปอาะมนุษย์ทั้งหลายมีปกติเกิดเกิดที่ไหนอ่ะเกิดที่ท้องแม่เกิดมาแล้วก็เป็นเด็กเป็นเล็กยังก็ต้องเลี้ยงดูกันพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนทุกทุกอย่างลำบากแหลือเกินก็จะเลี้ยงแต่และคนละคนที่มันโตเลี้ยงมาแล้วพอใหญ่โตแล้วต้องให้การศึกษามัน มันได้ศึกษาเล่าเรียนพ่อแม่หนาะไม่แต่ให้ให้อย่างเดียวเท่งนั้นะพ่อแม่จึงยากลําบากให้ด้วยความรักความมีนิพจถ้าผูใ้ใดไม่ทําทําหน้าที่อย่างนั้นก็เรียกว่าไม่เรียกว่าปุ้พ ก, กาลีไม่ใช่พ่อแม่ที่ดีเมือเลี้ยงลูกตัวเองให้มันดีให้ได้รับการศึกษาผู้ใดเลี้ยงลูกดีให้ได้รับการศึกษาที่ดีให้มีการงานที่ดีเขาจะบอกเออหนกดีพ่อดีอ้าว ถูกได้ดีแล้วทีเนี้มีหน้ามาีตาตาตามีการงานเอา้าติตัวพ่อแม่ได้เงื้อเเงินงานละทีเนี้จะไปไหนมาไหนก็หยกหยกเยกเยกก็ลำบากแล้วน่ะย้อนมาถึงตัวเรามื่ก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้อะไรเลยให้เราเราเป็นพ่อเป็นแม่ปรก่ะเลี้ยงดูให้มีแต่ให้ให้ความรักให้ความเมตตาให้ความมานุค้อเครื้อกูลไม่ได้อะไรได้แต่ความภูมิใจยินดีพอใจแต่นึง ได้แค่นั้นแค่นั้นจะเป็นทางให้ตัวเองพ้นทุกยากลําบากเพราะไปยินพอดีพอใจในลูกในล้านในมันก็ไม่ได้อะไรทางนั้นมีแต่เราเนี่ยที่จะต้องสร้างเอาเองทํำมาเองอันเดียวนี่เราพี่นาไปข้างนอกตามความเป็นจริงอย่างนั้นเมื่อเราพีนาถึงสิ่งหนึ่งเราก็มาตั้งใจก็จะสร้างให้เราละทีคือสร้างสติสมาธิด้วยการตั้งใจไว้ในดักกรรมฐานดังที่ แนบไปแล้วหรือไม่แช่นั้นถ้าเราใช้ห ล, ลักพุโทโธเรามาฐานหลักพุโทโตก็ได้ก็ามาตั้งที่ฐานดังที่ว่าแล้วประคองใจกันนึกพุโทโธพุโทโธกันมาฐานตรงนั้นมันเป็นฐานคือฐานของกายเราประคองเข้ามาเอาใจเข้ามาจดจ่อก็จดจ่อไว้ที่กายนี่เราประคองเข้ามาแต่ว่าสู้ลมไม่ได้ถ้าใช้ลมแล้วจะสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นจะครบบริบูรณ์ในนั้นเอง แต่เราใช้พุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวสติปัฏฐานทั้งสีมันไม่บริวูคือกายไม่บริวูะนะนจําเป็นต้องแม้เราจะใช้เป็นฐานเพิ่งเบื้องต้นก็ได้แต่มันมีหลักอะไรเลาเลือกพุโทโธแดีวก็พุโทโธพุธโทโธแล้วก็ตั้งในฐานพอตั้งในฐานก็ใช้ลมเพื่อให้ให้ใจของเรามันอยู่ในอันนั้นให้มันตั้งมั่นอันนั้นได้นั่นคืออุบายวิธีหรือเราพิจารณาภายใน แี่พี่นาภายในก็อีกว่าเอาใจก็เดเหมือนกันนะไม่มีตัวมีตนไม่มีรูปบ้างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาคือความสุขก็ดีความทุกข์ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกันนั่นแหละมันก็เลยไม่มีอะไรจะพึงเอาได้ใจนี้ใจของเรานี้เอาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นใจก็มีมีตัวตนมันก็ไม่ได้เอาอะไรมันไม่มีอย่างนั้นเกิดมาแล้วจะเอาอะไรหรือพระดจจาสอนว่าให้เอาใจให้หลุดพ้ ให้ใจคนุดพทนุดพ้นจากการมาอยู่อาศัยของขันห้าถ้ามันอยู่อาศัยของกันห้านะ่ะนั่นละคือกองทุกข์ทุกข์พอละทุกข์พรแก่ทุกข์เพราะแก่ไข่เดือบ พ, พุกพอตายอันนี้คือส่วนร่างกายและอยังทุกข์ภายนอกอีกทุกข์ที่จะต้องหากินกันที น, นัทุกข์ที่จะต้องบํารุงเลี้ยงตัวเองเพราะว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร ต้องมีอาหารด้วยแต่ว่ามนุษย์มันมีอีกหลายอย่างนะทั้งมีอาหารมีเสื้อผ้าเครื่องหนุนโฮมมีบ้านมีที่อยู่อาศัยแล้วมียุกมียาสําหรับแก้โรคภัยที่มันมีเหตุขึ้นมานั่นมนุษย์อมีหลายอย่างมนุษย์ที่จะอาศัยเหมือนสัตว์เดียรฉันสัตว์เดียร์ฉันมันไม่ต้องมีเสื้อผ้าเครื่องนุนโฮมเพราจะมีอาหารกินก็ใช้ได้แล้วพอได้กินเนี่ยก็ใช้ได้ อย่างหมู่มาหมู่แมวบนี้มันก็กินกันอยู่อย่างนั้นน่ะอืนั้นก็เรียกว่ามันไม่มีภาระมากเหมือนมนุษย์อืมแต่ว่ามันไม่มีปัญญาเหมือนมนุษนย์จริงมนุษย์ทั้งหลายนะ่ะมันต้องมีมีปัญญาสร้างอาหารสร้างที่อยู่อาศัยั้งอย่างต่างๆได้เองแต่ถึงการนั้นก็มีกองทุกข์ทีม่นจะสร้างได้จะทําได้อสมัยวิทยาศาสตร์เขาเ้าเจริญ ขอสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับที่จะอำนวยให้เกิดความสุขท่านั้นสมัยก่อนนั้นไปไหนมาไหนก็ต้องเดิ น, เ ด, น เ, เ, เดินแล้วเกือบตายเดินแข่ไปที่นั่นมานี่นี่ก็ต้องใช้เวลาเป็นหลายเดือนเป็นเดือนเป็นปีแต่ามาในสมัยนี้มีรถมีเครื่องบินวับเดียวก็ถึงแล้วไปกรุงเทพมีเครื่องบินขี่ห้าสิบนาทีถึงกรุงเทพแล้ว ไปกรุงเทพกลับมาเชียงใหม่อีกเขยังได้ไปตอนเช้ากลับมาสักสี่ห้าโมงได้อตมาก็เคยไปเคยไปไปแต่เช้าไปฉันเพนไปฉันอาหารนูน่นกรุงเทพไอฉันเสร็จสัพท์ก็ตอนค่ำข้ามก็กลับมาอีกหรือเขาจะไปเที่ยวไปเที่ยวกับทำธุระปุ๊บปั๊บตอนเช้าตอนสักบ่ายก็กลับมามันทําได้ทางนั้น อันนี้สมัยวิทยาศาสตร์เขาเร็วอย่างนั้นถึงขนาด น, นั้นก็ยังมีทุกอยู่เท่าเก่าเลยต้องเป็นภาละมีหน้าที่มีเครื่องเล่นเครื่องไหนต่างๆทีนี้มนันโนก็เพิ่มเติมเพิ่มเติมอะไรสร้างบ้านสร้างเรือนเอามีไฟฟ้ามีเครื่องเฟอร์นเเจ อ, อ, ฟฟอร์อย่างต่างๆเครื่องทาไฟฟ้าอะไรต่างๆมีหม้อไฟฟ้ามีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้า ทางนี้นมันก็ต้องเพิ่มหาเงินเพิ่มเติมเขาอีกให้บรรเทาความทุกข์อากให้ได้รับความสบายแต่ก็ต้องสร้างความทุกข์อีกทางหนึ่งนี้ต้องต้องหาเงินไว้มากๆสําหรับที่จะมามาใช้ใจ่ายะรวมแล้วก็มีแต่ความทุกข์ทางนั้นอันนี้คือเป็นโอบายวิธีสําหรับสอนเราไปตามความจริงของโลกที่มีที่เป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาธรรมดา ก็จะเป็นเหตุให้ใจของเราเนี่ยนะนะไม่เพิดเพลินเจริญใจข้างนอกนั้นได้คือบันเทาเรียกว่าบันเทาเป็นบันเป็นเครื่องบันเทาความหลงความเมาอะไรต่างๆที่อันนั้นถือว่านั่นกัของเรานี่กัของเรานี่กับพี่เรานี่ยกับยังเราเราทุกอย่างนะมันเป็นเครื่องบันเทาสิ่งนั้นนั้นได้แต่ว่าถ้ามันกระทบเหตุนั้นๆขึ้นได้นะนะมันก็หวั่นไหว ที่หวั่นไหวนะก็เพราะใจแมนยังไม่มีฐานยังไม่มีฐานของสติดังที่ว่ามาใจนั้นต้องมีฐานของสติจะเป็นเครื่องมั่นของดีมันก็จะไม่หวั่นไหวเองทีนี้รู้ตามความจริงเ อ, อของแก่ตายทั้งหลายเท่านั้นเป็นรูปหลางกายทั้งนั้นะเป็นของกายทั้งนั้นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราทั้งนั้นมันนี้มีใจดวงเดียวด้วยนะใจดวงเดียวนะี่ยให้มารุด้นจากการที่มาอยู่อาศัยกองไฟกองไฟก็คือร่างกาย ของเรานี่เองก็จะมองเห็นขึ้นมาว่าเออนี่ทุกอยู่ตรงนี้ทุกเพราะที่ใจของเราอยู่อาศัยรูปอันนี้เองตัางหากนี้เราจะจะหนีจากรูปร่างกายนี่มันอาศัยทีนี้ถ้าอัศจรสมาธิมันไม่เกิดขึ้นในฐานของของสติปัฏฐานนะ่ะมันก็ไม่แยกไม่แยกตัวกันมันก็เป็นอันเดียวกันอยู่นะเราก็รู้จักจะได้จะชื่อมันนะ อันนี้คือรูปรลังกายอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสัญญาอันนี้คือสังขารอันนี้คือวิญญาตเรารู้ด้วยสัญญารู้ด้วยการจํานั้นๆมามันไม่ใช่เป็นเองอย่างจะให้มันเป็นเองแล้วเราก็จะไม่ต้องสร้างฐานของสมาธิด้วยสติปัฏฐานดังกล่าวแล้วนี่เป็นอุบายวิธีสําหรับให้ญาติโยมทั้งหลายนําไปใช้นําไปปฏิบัติให้เรียกว่าปฏิบัติเป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้สมควรความเพียร มีสองคือความเพียรเป็นในกายมีโอกาสเวลาก็ให้นั่งสมาธิภาวนากําหนดลมหายใจเออก้อนนั้นบ่อยๆมีโอกาสเวลาที่จะเดินโยกบลกก็เอาได้นี่เวลาทั่วไปความเพียรเป็นปในจิตเพียรที่จะรักษาจิตรักษาใจไว้ในฐานที่ตั้งส่วนหน้าที่การ ง, งานเราก็ทําด้วยสติของเราเหมือนกันแม้อยู่ในฐานก็ใช้จิตของเราใช้ความคิดของเราได้เมื่อเราเพียรพยายามทำอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้ ใจของเรามันมีความมั่นคงโดยลำดับซึ่งจะเป็นทางให้ใจของเราหลุดพ้นจากความยึดถือมาอยู่อาศัยขันห้านั้นได้ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายทางพุทธศาสนาที่พุทธยาสอนสอนว่าให้ทําใจของเราให้หลุดพ้นหลุดพ้นจากการมาอยู่อาศัยของขันห้าขันห้าของมนุษย์หรือรูปร่างกายของมนุษย์ของสัตว์เดียวชานของเทวดามาร์พมก็แก่เก็บตายกันทั้งนั้น ตัวปฎิจาสอนว่าให้ใจนะ ส, นสลัดออกเป็นอิสระเข้าถึงโลกุตละธรรมได้กว่านิพพานจะเข้าถึงอย่างใดก็าทาเดินไปตามขั้นตอนขั้นปฏิบัติของเรานะี่มันถึงเองเรานั่งรถอยู่ในรถมันก็รถพาไปเองขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็พาไปถึงเองมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เดินไม่ก้าวไปหรอกแต่ว่าเราเอาศัยเครื่องทุนแรงไป ใ น, น<ะ>เราอาศาัยธรรมมากคือสติสมาธิปัญญาหรือสติประธานเสีสัมมาประธานเสีบาศเสีเอินสี่ห้าพละห้าโพชงเจ็ดมักไมองแปดนั้นเข้าถึงถาเข้าถึงประตูผนิพานตรงที่มักเมืองแปดนู่นนั้นถาก็มันธรรมมาท้งหลายก็จะจงกันไปเองนีเป็นอุบายวิธีสําหรับให้ทุกคนจงสร้างศรัทธาของตัเองให้มั่นคงนี่ทางที่จะนําเราให้พ้นจากทุกอย่างลําบากอยู่ตรงนี้ แต่ทั้งนี้มันหมายความว่าเราจะทิ้งสิ่งที่เรากระทำเรามีหน้าที่อย่างใดก็ให้า ก, กันทําอย่างนั้นๆไม่ใช่ว่าทิ้งหมดแล้วก็จะต้องเอาแค่อย่างเดียวแล้วเอ้าภาวนาปณิพันธ์โอ้อย่างนั้นไปไม่ได้แล้วอย่างว่าเราจะข้ามนะ้ําข้ามสะบัดก็ต้องมีเรือมีถอมีพายยังไปด้วยเมื่อถึงฝั่งแล้วมัอนได้จึงทิ้งเมื่อขี่เรือถึงฝัง่งโน้นแล้วเทขึ้นไปแล้วเอ้าทิ้งเลยล่ะเรือ ต้องอย่างนั้นใมระหมายค่าวว่าเรามาถึงค่าวแล้วจะเอาแค่อย่างเดียวแล้วจะไปอย่างเดียวแล้วไม่ต้องเอาอย่างอื่นะ่ะเออมันจะไม่ไปนะ่ะไปไม่ได้นะนะเอี่ยงที่เตือนที่สอนนี่ก็ต้องการให้ทําให้พอหมาะพอดีดีกว่าทํามานกธรรมาปฏิปฏิปฏิปฏปฏปฏบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสมควรกัแก่โอกาสและเวลานั้นๆของเรามันก็จะค่อยเป็นไปตามนั้นธรรมะที่นํามาเตือนมาสอนก็ขอยุติไว้เพียงเพียง ก็คลองความรู้สึกจดจอปิดไปตรงนั้นแล้วก็รู้ลมด้วยทีนี้รู้ลมด้วยรู้ใจด้วยรู้อะไรด้วยในนั้นนะมันมีอะไรก็รู้อยู่ตรงนั้นนะอย่าไปรู้นอกข้างนอกไม่ว่ารู้อยู่ตรงนั้นไม่เป็นไรคือรู้ใจนั่นแหละรู้ใจกับรู้ลมลมมันเข้ากับรู้ลมมันออกกัรู้ลมมันเข้ากับแต่ว่าไม่ได้ตามออกไปเหมือนกับเราสูบครั้งแรก เราสูบเข้าพูดถูกเหรอนีงดังนั้นเนียกว่าตามลมแต่เราสร้างลมให้มันคล่องแค่ก่อนเท่านั้นแหละแล้วจึงจะมานิ่งอยู่ในจุดรู้ลมร่าใจรู้ลมแล้วเอาสติควบคุมรักษาอย่าให้พังอย่าให้เผลอถ้าเราเพียงพยายามจดจ่อในจุดนั้นแล้วมันก็ไม่เป็นไรทางรู้ลมทั้งรู้ใจอยู่ทางไหนในความงงเงาหานอนมันก็ไม่มี อย่างนั้นจดเจาะนี้ถ้าหากว่าสมรณ์เราตั้งไปตั้งไปมันเกิดเริ่มเพิ่มไปเห็นไหมถ้ามันเกิดข้องามให้สร้างใหม่สร้างลมใหม่หรสร้างหายใจกว่าพุทธโทพุทธโธเสียใหม่หรือไม่ชค่นั้นก็นโตปลมเาลือกกั้นลมมันก็จะแก้ความวุ่นนอนนั้นได้การลมแล้วก็ปล่อยลมให้มันยาบ หายใจโพโทโพธโิแล้วก็เข้าไปตั้งฐานนั้นใหม่้าไมตั้งฐานคือฐานของใจนะ ใ, นใจไม่ฐานที่ตั้งแล้วก็จำฐานนั้นไว้ให้ดีเพียงพยายามที่จะตั้งฐานมันไว้ให้มากเข้ามากเข้านานเข้านานเข้าขั้นก็เรียกว่าสติปัฏฐานเมื่อเป็นสติปัฏฐานแล้วก็เป็นมหาสติปัฏฐานคือสติใหญเ่เมื่อเป็นสติใหญ่แล้วเนะ คนทำทางหลายมันก็จะเกิดขึ้นในนั้นในขณะที่เรากำลังปฏิบัติหรือกระทํานั้นก็จะมีอยู่สองอย่างนี่ว่าสติปัฏฐานสี่อยู่ในนั้นแล้วสัมมาประฐานสี่ก็อยู่ในนั้นสติปัฏฐานสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมกายก็หมายถึงลมหายใจเข้าออก ที่เราจดจ่ออยู่ตรงที่ที่ตั้งของเรานี่ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมเข้าก็รู้เรียกว่ารู้ลมลมมันเป็นของเกื้อกูลกับกายเมื่อดูลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นอยู่ที่ฐานที่ตั้งอย่างนั้นเดี๋ยวลมหายใจข อ, อกนั่นเนะี่ยมันจะดับไป แต่ต้องดับอยู่ในฐานนั้นดับอยู่ในที่ตั้งนั้นไม่ใช่เวลาดับแล้วมันมันเลื้อมุบลงไปไปเข้าสู่ฐานสมาธิลุ่มอันนั้นก็เรียกว่ามันเข้าไปสมาธิติดไปเอาอยู่ไปอยู่กับสมาธิใชแล้วท่านยังไม่ให้เข้าสมาธิยังไม่ให้เอาสมาธิแต่เอาฐานของสติปัฏฐานนี้เสียก่อนให้มันมัน่นธรรมะอื่นมันจึงจะเกิด เอาไปเอาสมาธิให้จิตลงไปก่อนมันก็ได้แค่สมาธิมันอย่างอื่นมันไม่เกิดนั้นได้แต่เฉพาะมาธิที่เฉยตวามกาหนดรู้ลมหายใจคออกอยู่ฐานที่ต่างนั้นอยู่ในจุดเดียวนั้นละอย่าให้มันลงไปยังไม่ให้ลงเมื่อกําหนดลมเป็นลมเด็กกอากายแล้วก็จะรู้จักรู้สึกเวทนาเวท น, นากรม่อถึงเอารล้ว เรารู้สึกว่าสบายก็เมื่อใจมันตั้งอยู่อย่างนั้นได้วูลมอย่างมันก็มันก็สบายเนี่ยว่าเวทนาไอตัวที่มันรู้จักเวทนาล่ะทีเนี่ย <c oughs> รู้สึกว่าสบายไม่สบายก็คือใจเนี่ยเนี่ยว่าจิตกายเวทนาจิตกรรมาาฐานสติปัฏฐานกายเวทนาจิตแล้วก็ทํา ทำในนั้นก็นหมายถึงตัวที่รักษาคุ้มครองและมีความรู้สึกตัวเกิดเกิดขึ้นเป็นสัพัญญาและเป็นตัวสติก็เรียกว่าทำมันมีอยู่ในนั้นแล้วแต่ว่าเราไม่ได้กำหนดไปนับอยู่นั้นหรอกบอกว่านี่คืออาการอย่างนั้นนะเป็นนับอย่างที่ ท, ที่ตมาทบะอธิบายฟังไม่ได้นับแต่เราก็ลักษาในจุดอยู่นั้ น, น, นเหมือนกับเรานั่งอยู่บ้าน นั่งอยู่บ้านนะ่ะภายในบ้านของเรามีทุกอย่างทุกอันอยู่ในนั้นนะในบ้านเนี่ยทุกอย่างของใช้กลองซร้อยเงี้ยทุกสิอย่างมันมีในนั้นแต่เราก็นั่งอยู่เฉพาะที่ของที่นั่งนะือต้องรักษาที่นั่งนั้นก่อนเฮ้ทำมาไอ้ประกอบเรียกว่าสัมปทานสัมมาปทานสัมปทานสี่ ประธานนันแปลว่าความเพียรสำ ม, มะแปลว่าชอบความเพียรที่ชอบน้ำประธานสีนั้นคือสังวรประทานเพียรละวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นสหานประทานเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานแปลว่าการยังโกรสนให้เกิดขึ้น อนุรักษนาประทานแปลว่ารักษากุศลเกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม <c oughs> <c oughs> มันก็จะเกิดมีในฐานที่เราตั้งรักษาใจไว้อย่างนั้นเองเมื่อใจของเราจดจ่ออยู่ในฐานที่ตั้งพร้อมทั้งรู้ลมพร้อมทั้งรู้ใจอยู่ในนั้นมันก็ป้องกันอารมณ์บาปคําว่าบาปในที่นี้หมายถึงอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดกรรมมรรตกพยาบาทวิตโตกหิงสาวิตโตก ป้องกันมาเห็นเกิดขึนถ้าว่าใจมันเคลื่อนทานนี่เมื่อไรมันจะไปเกิดสิ่งนั้นนั้นใจมันจะไปหาสิ่งนั้นหรือนิะนั้นมันก็มาทำลายจิตใจให้เคลื่อนจากที่ได้จึงเรียกว่ารักษามันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าจิตของเราตั้งอยู่ในจุดนั้นแล้วเรียกว่าสังวรประธานป้องกันอารมณ์ที่ไม่ดีนะไม่ให้เกิดขึ้นสารนประทานละ บาปที่เกิดขึ้นแล้วหรือเมื่อจิติมันแน่วเนี่ยอันนั้นมันก็จะค่อยคายทับไอสิ่งที่มันไม่ดีนั่นออกไปนี่ว่าละมันละของมันเองถ้าทรมานเกิด้นมันก็ไปชำระเหมันเองเหมือนเราก็ตักน้าไปชำระไปล้างอ่งล้างที่สกปรกเนี่ยเราตักน้าไปเทเข้าใส่เทเข้าใส่ถูถูมันด้วย มันก็เกี่ยงเก่าวอันนี้ก็เหมือนกันเราเาธรรมะคือนามคือสติสัมปชัญญาาเข้าไปใส่มันก็ล้างข้ามันเองภาวานาประทานเราก็เพียงพยายามรักษารักษาใจให้รู้ลมอยู่อย่างนั้นมีความรู้ตัวอยู่ตรงจุดนั้นนั่นเรียกว่าภาวานาประทานคือการยังกุศลให้เกิดคาว่ากุศลในใ น, ในทีนี้ก็หมายถึง สัมปัจจัญญาทติสัมปัจัญญายังขึงคุ้มครองรักษาอืเราให้มีสติสัมก็ เ, เป็นการเพี้ยนมายามรักษาทีนะรักษาอนันต์ไว้รักษาความรู้สึกของเราให้มันตั้งอยู่ในจุดนั้นให้ได้ให้ามาอยู่กับลมหายใจเข้าออกนั้นได้ถ้ามันมีความรู้สึกอยู่ในจุดนั้นได้